พวกเพื่อนๆรวมถึงตัวคุณยุทธเองก็ชวนกันไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินนีะคะแต่ว่าคุณยุทธร้อนก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวอาบน้าก่อนแล้วจะตามไปเพื่อนก็พากันไปเดินเล่นกันหมดคุณยุทธกับแฟนก็เลยพากันอาบน้ำคลายร้อนซะหน่อยแต่ว่าระหว่างอาบน้าค่ะก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นแลวก็เป็นเรื่องแปลกอย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยคุณยุทธกับแฟนอาบน้าด้วยกันแต่ว่าระหว่างอาบน้าเนี่ย